ทุกเย็นเราก็บทเอา้าเราก็สวดบทที่เรียกว่าอีมีนานะเรียกภาษาชาวบ้านว่ากรวดน้ำตอนเย็นที่จริงไม่มีน้ำให้กรวดนะแต่ว่ามันเป็นมากอะไรมันเป็นมากกว่าการกรวดน้ำสิ่งที่เราได้สาธยายมาเนี่ย ขอให้ใส่ใจนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงปณิธานหรือว่าถ้าพูดภาษาสมัยใหม่คือจิตวิญญาของชาวพุทธจิตวิญญาของชาวพุทธเนี่ยนะมันก็แสดงนะอยู่ในเนื้อหาของบทกลดน้ำนะที่เราได้สาธยาย ถ้าเราไม่ใช่เพียงแค่ปากว่าไปนะตามความเคยชินแต่พิจารณาแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวมันจะมีคุณค่ามากเลยบทอิมินานนี่นะครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญหรือว่าส่งความปรารถนาดีไปให้แก่สรรพสิงก็ว่าได้ ไม่เป็นแม่กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติหรือจักรวาลไม่ได้แพ่ไม่ได้อุทิศให้เฉพาะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปัชาเท่านั้นแม้แต่ศัตรูนะปู่เป็นกลางผู้จ้องผ่านแล้วก็มีน้ำใจเผื่อแผ่ให้าชาวพุดเนี่ยนะ เรามีความปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่คิดร้ายกับเราคนที่ต่อว่าด่าทอเรามันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธที่จะไปแก้แค้นหรือไปแช่งให้เขาเกิดความชิดหายหรือเกิดอาย็นนะเวลาเราสวดบทเนี่ยนะ ลองดูว่าเออเราได้ทําอย่างที่เราได้สวดหรือเปล่าเรามีความปรารถนาดีกับคนที่เขาคิดร้ายกับเราหรือไม่อันนี้มันเป็นจิตบัญญัติชาวพูดเลยนะซึ่งมันทวนกระแสกิเลสแล้วก็ทวนกระแสชาวโลกในชาดกเนี่ยนะหลายเรื่องเลยนะจะเป็นเรื่องของ พระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายท่านอย่างเช่นมีเรื่องของฤาษีท่านหนึ่งนะชื่อขันติวาทีท่านเขาเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรม แล้วก็วันหนึ่งนะก็บังเอิญมีพระราชาเนี่ยมาเที่ยวสวนอุทยานมีนางฟ้อนนางบำเรอมาอยู่รายรอบแล้วก็ระหว่างที่พระราชาเนี่ยนะเกิดหลับไปเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยก็ไปทราบว่ามี หรือศีรษคันติวาทีเนี่ยนะกำลังบำเพ็ญภาวานาอยู่ก็ไปฟังธรรมนะส่วนพระราชาตื่นขึ้นมาพอพบว่านางฟ้อนนะหรือว่าหญิงทั้งหลายเนี่ยทิ้งตัวเองไปไปหาคันติวาทีดาบทก็ไม่พอใจนะไปถามว่าเนี่ยไปหาคันติวาทีว่าเนี่ยท่านเป็นใคร นะท่านก็บอกว่าเราเป็นฤาษีเป็นดาบทนะที่ถือเอาขันติธรรมเนี่ยนะเป็นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติขันติคืออะไรนะก็คือความอดทนนะอดทนต่อสิ่งยั่วยนะุพระราชาก็อยากจะทดสอบว่าขันติจริงหรือเปล่านะ ก็สั่งให้เสนาอัมมาเนี่ยจับมาโบยตีฟาดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยครั้งไม่พอนะยังถึงกับสั่งให้ตัดมือตัดแขนตัดขาตัดหูนะแล้วก็ดูเสียว่ายังมีขันติอยู่ไหม ท, ทงขนาดนี้นะแต่บอกว่าขันติวาทีนี่ก็ไม่โกรธเลยนะ ถึงก็บอกว่าเนี่ยนะขอให้พระราชาผู้ตัดมือตัดขาตัดแขนตัดหูตัดจมูกของเราเนี่ยขอให้ท่านนะมีความสุขสวัสดีนะมีอายุยืนนานนะดาบทอย่างเรานะไม่มีความโกรธเคืองนะคนที่ทำร้ายเรานะพูดจบก็สักพักกนะ็ก็สิลมนะ ส่วนพระราชานีก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะโดนธรณีสูบตายเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณธรรมของชาวพุทธนะซึ่งพวกเราเนี่ยควรน้อมมาพิจารณาถึงแม้จะทำไม่ได้หรือทำได้ยากนะแต่ว่าให้ถือว่าเราพยายามไปให้ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลา เราจะแผแ่เมตตาอุทิศกุศลให้ใครเนี่ยก็จะลืมคนเหล่านี้ด้วยนะคนที่เขามุ่งร้ายต่อเราคนที่เขาเกลียดชังเราคนที่เขาทําร้ายเราเขาจะทําอะไรกับเราไม่ดีอย่างไรนะเราก็ไม่ตอบโต้เรามีแต่ความดีนะให้เขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของปณิธานหรือจิตวิญญาณชาวพุทธนะที่ว่าเรามีดีอะไรเราก็แบ่งไป แบ่งปันไปใหนะ้ไม่ใช่ให้สิ่งของให้อาหารแม้กระทั่งบุญกุศลเราก็ให้นะอันเนี้ยถึงจะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีชาวพุทธจานวนหนึ่งนะซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็สอนกันนะบอกกันไปนะว่าเนี่ยเวลาทําบุญอุทิศ เวลาทําบุญสร้างกุศลอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปอุทิศบุณกุศลให้ใครนะเพราะว่าอุทิศให้แล้วเดี๋ยวบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงนะอันนี้เรียกว่านอกจากตนีทีเหนียวแม้กระทั่งบุญกุศลแล้วเนี่ยยังยังเต็มไปด้วยอวิชชาหรือโมหะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ นะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะรู้ว่ายิ่งอุทิศกุศลให้ใครเนี่ยนะกุศลในใจเราก็จะงอกงามไปด้วยนะบุญนั้นนี่เนะี่ยหรือกุศลนั้นนี่เราเรียกปฏิทานลำไม้นะปฏิทานลำไม้คือว่าบุญที่เกิดจากการที่อุทิศนะบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะมืนไม่เหมือนเงินนะไม่เหมือนเงินนะถ้ายิ่งให้ก็ยิ่งหมด แต่คนเดียวนี้เนี่ยไปคิดว่าบุญกุศลเนี่ยไม่ต่างจากเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีบุญเยอะๆก็ต้องหวงบุญเอาไว้นะไม่แผ่ให้ใครอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นอ่าไม่มีจิตวิญญาแบบชาวพุทธนะแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะในเรื่องของบุญด้วยนี่ความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับบุญมีเยอะซึ่งรู้นลแต่เกิดจากความเห็งแก่ตัว แล้วก็เรียกว่าอาศัยหรือถูกกิเลสครอบงำนะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยนะเราต้องนะมีน้ำใจทีนะ่ไม่มีประมาณหรือน้ำใจที่กว้างขวางนะพร้อมที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนมานะมธรรมนามธรรมก็คือบุญกุศลนี่แหละก็แผ่ไปให้ เป็นการแสดงความขอบคุณด้วยนะเมื่อเราผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณนะสรรพสิ่งนะที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะหรือได้มาถึงนาทีนีนะ้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีส่วนช่วยทำให้เราได้นะเป็นอยู่มาจนปัจจุบันนะการมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีอา ย, ยุมาถึงปานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคเพราะฉะนั้นก็ เป็นสมทุ่สมควรที่เราจะอาขอบคุณหรือว่าเราลึกถึงความดีเราลึกถึงบุญคุณของสรรพสิ่งแล้วก็ตอบแทนด้วยการอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถึงแม้จะมีบางคนไม่ได้ทำดีกับเราแถามยังเอาเปรียบเราโกงเราเราก็ไม่โกรธเคืองนะเราก็แผ่ไปให้เหมือนกันอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะของปณิธานหรือจิตวิญญาณชอพุทธเนี่ย อีกส่วนหนึ่งนะก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะจะฝึกฝนตนนะจะพัฒนาตนจะเพียงกำจัดกิเลสละตัณหาอุปาทานรักนษะาใจไม่ให้หมู่มาเนี่ยมันได้ช่องนะอย่างที่เราสอนวเนี่ยขอหมู่มาอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิป้อง อย่าเปิดโอกาสแกมารเทินนะอันนี้มันก็เป็นเป็นปฏิทัยนของเราอีกเหมือนกันนะในแต่ละวันแต่ละวันเราเกิดมาเนี่ยนอกจากทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะทําประโยชน์ให้กับตนนะประโยชน์ส่วนตนนี่เรียกว่าอัตตะถะนะประโยชน์ผู้อื่นก็เรียกว่าป ร, ะระะัตตะชาวผู้เรานี่ก็ทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านเนี่ยนะ จริงๆก็ไม่ได้แค่การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เท่านั้นนะถ้ามีอะไรที่เราจะทำได้ด้วยตัวเราด้วยมือด้วยไม้นะด้วยทรัพย์สินของเราก็ให้เราก็ทำตามกำลังแต่โดยการก็ไม่ทิ้งประโยชน์ตนประโยชน์ตนนัคือการฝึกนะการฝึกจิตพัฒนาใจและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะทีเ่เรียกว่าสูงส่งนะ ในบทที่เรากรวดน้ำเนี่ยนะจะมีการเอ่ยถึงนิพพานเอ่ยถึงนิพพานเนี่ยนะในฐานะที่เป็นจุดหมายของชีวิตนะซึ่งชาวผู้เราเนี่ยควรจะน้อมมาเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเรานะิพพานเนี่ยแม้จะอยู่ไกลหรือว่าแม้จะไปได้ยาก นะแต่ว่าเราก็ควรจะน้อมนึกเอาไว้อยู่เสมอถือว่าเป็นบทหมายนะของของชีวิตมันดีกว่าการที่เราจะตั้งจิตนะว่าชีวิตนี้เราจะรวยนะเราจะเป็นเศรษฐีเราจะเป็นรัฐมนตรีเราจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยตั้งจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นชาวพุทธนะเราจะมองว่าเนี่ยจุดมุ่งหมายเรานี่ถือว่าต่ํามากนะ มันมีจุดมุ่งหมายที่ดีกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือนิพพานนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะไม่ได้จะไม่ได้มุ่งนะว่าอยากจะเป็นเศรษฐีหรือว่าอยากจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตนะแต่ว่าจะมุ่งนะึถึงนิพพานเลยจิตเนี่ยจะน้อมนึกถึงนิพพานอยู่เนืองเนืองเวลาทำบุญทากุศลจิตก็มุ่งหมายไปที่นิพพานะเวลาใส่บาเนี่ยนะ ก็ไม่ได้ทิฏฐานเยอะแยะนะนทิษฐานในที่ที่หมายถึงแบบไทยๆนะความหมายแบบไทยๆคือว่าขอขอให้ได้เป็นโน่นขอให้ได้มีนี่ขอให้ร่ำรวยคนสมัยก่อนเนี่ยิฐานสั้นๆ น, นะนิพพา น, นัปัจิโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานแค่นั่นแหละสั้นๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยเราเราไม่เห็นความสำคัญของนิพพานแล้ว เราอยากจะรวยเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากจะสอบเข้านะที่นั่นที่นี่ได้คิดแต่เพียงแค่นี้แหละเวลาไปบินธบารเนี่ยนะหรือว่าเวลาที่โยมาทาบุญเนี่ยโยมาถวายสังฆทานจะสังเกตอย่างนี้นะการอธิษฐานหรือการขอนะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะใช้เวลานา น, านทีเดียวนะเอามือจบนะ จบพัวแล้วก็อธิษฐานยาวนะีความต้องการนี่ดูเยอะแยะไปหมดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องพื้นๆเรื่องโลกโลกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยชาวชาวพุทธเนี่ยมันมีอะไรสําคัญเท่าพระนิพพานอีกแล้วนีคนยุคนยุคนี้นะก็โดยเพราที่เป็นชาวพุทเนี่ยก็สมควรนะที่จะเอาพระนิพพานเนี่ยเป็นเป็นมุดหมายของชีวิตนะ มันที่พามาถึงอะไรมาถึงความสงบเย็นนะเพราะว่าไม่มีกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะครอบงำเป็นภาวะที่เย็นสงบไม่ว่ามีอะไรมากระทบนะมันก็ไม่กระเทือนถึงใจนะแดดจะร้อนอากาศจะหนาวหรือแม้แต่เจ็บป่วยนะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้ เป็นภาวะสงบเย็นเป็นสุขนะที่ไม่ได้เกิดจากการมีการได้การครอบครองไม่ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามรูปธรรมก็ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองนามธรรมก็อาจะเป็นชื่อเสียงเกิตยศหรือแม้แต่แม้กระทั่งภาวะสมาธินะชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นรูปฌานรูปฌานพวกนี้เป็นภาวะสมาธิชั้นสูงเนี่ยก็ไม่ติดนะความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น เป็นภาวะที่สงบเย็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็ไม่มีความทุกข์ความร้อนแม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยหรือแม้ต้องตายนะก็จิตใจก็ไม่มีความหวั่นไหวหรือว่าใจกระเพื่อมอันนี้เราหากนะที่มันควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตเราอย่างอื่นนะที่เหลือเนี่ยมันล้วนแล้แต่ไม่ใช่เป็นสาระอันประเสริฐ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีค้าบดีท่านหนึ่งนะชื่อจิตตคาบดีก็เป็นคนที่ฝ่าธรรมมากเมื่อใกล้ตายเนี่ยเทวดาก็มานะแล้วก็มาเชิญชวนให้ท่านเนี่ยนะปรารถนาไปเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดินะในชาติหน้าบอกว่าเนี่ยบุญของท่านเนี่ยถึงนะท่านทําบุญมามากเนี่ยบุญของท่านถึงชาติหน้านี่ถ้าได้เป็นจักรพรรดิเนี่ย ถ้าท่านจ้างจิตปรารถนาเป็นจกักรพรรดิเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นมากจิตตาค่าบดีปฏิเสธนะไม่เอานะท่านมุ่งแต่พระนิพพานอย่างเดียวเพราะเพราะว่าแม้กระทั่งจกักรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะคนเป็นจกักรพรรดิคนเป็นพระราชาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะที่ตายไม่สวยตายไม่ดีหรือว่าอยู่อย่างรุ่มร้อนนะก็มีมากมาย งั้นคนที่ฉลาดเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธในที่ฉลาดเนี่ยนะก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับ น, นิพพานงการที่พวกเราเนี่ยนะมีจิตน้อมนึกถึงพระ น, นิพพานเนี่ยนะอยู่เสมอหรือว่าถือเป็นจุดหมายนะของชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเจอปัญหาจะอุปสรรคอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันจะกลายเป็นเพียงแค่แบบฝึกหัด หรือบททดสอบเท่านั้นเองคนเวลาเราเจอความเจ็บปวดเจอความพัดผ้าสูญเสียหรือแม้กระทั่งเจอคนต่อว่าดาทอนะ mm. ก็จะหงุดหงิดโมโหเศร้าโศกนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าโอ้ชีวิตนี้เนี่ยนะเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือว่าจะเป็นชีวิตหน้าก็ตามนะไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะกลายเป็นเล็กเล็กน้อยมันเหมือนกับว่า คนที่จะสอบให้ได้จะเรียนให้จบปริญญาเอกเนี่ยนะมันก็ต้องเจอการบ้านเจอบททดสอบนะหรือว่าเจอการทดสอบที่ยากลำบากนะมันไเหมือนกับการสอบชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมนะเวลาเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าไม่ไม่รู้จักนะวางจิตวางใจให้ดีเนี่ย ก็จะทุกมากเลยนะทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเรามองอ๋อเนี่ยนั่นนี่คือบททดสอบอย่างหนึ่งนะยิ่งจะไปให้ถึงจุดหมายสูงส่งคือนิพพานเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องเจอบทดอบทดสอบที่มันยากนะพอเรามองแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดความเพียรพยายามมันจะเกิดความอดทนที่จะผ่านไปให้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดหมายแบบนี้นะ เจอปัญหานิดเจอปัญหาหน่อยก็วอยวายนะก็คร่ําครวญ น, นะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาเขาจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบททดสอบนะที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะพราะถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยนะจะไปถึงพระนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดเนี่ยนะมันจะไปถึงได้อย่างไรบางทีเจอแค่บททดสอบของอชั้นประถมมัธยมเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเนี่ย จะหวังจบแม้กระทั่งปริญญาตรีได้อย่างไรนะคนที่เขาหวังสูงเนี่ยนะเช่นหวังจบปริญญาเอกหรือแม้แต่ปริญญาตรีก็ตามเนี่ยนะเวลาเจอบททดสอบยากๆนี้เขาก็าจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเคราะกรรมแต่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะสำหรับการที่เราจะผ่านไปให้ได้นะแล้วเราจะผ่านไม่ได้เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้ให้ให้มี ความรู้ให้มีประสบการณ์เนี่ยเหมือนกับเราอยากจะเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเจอบททดสอบนะเจอข้อสอบยากยากนะเราก็ต้องนะกลับไปคน้นคะว้านะกลับไปศึกษาเพื่อที่จะตอบให้ได้มีบางคนเนี่ยนะเขานะเคยมีคนมาหานะบอกว่าโอ้กุ้มใจนะเรื่องงานเรื่องการนะตอนนี้ เขาเป็นเซล์นะเดี๋ยวนี้ของเนี่ยขายก็ไม่ค่อยได้แล้ว เ, รเศรษฐกิจไม่ดีนะคุยไปคุยไปเขาก็เองก็สนใจธรรมะนะแล้วเขาก็เองก็บอกว่าเนี่ยในยชีวิตนี้ก็อยากจะบรรลุนิพพานนะก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยแค่ปัญหานี้คุณยังท้อเลยนะนะขายของนะไม่ได้ตามเป้านี้คุณยังท้อแแล้วคุณจะไปนิพพานได้อย่างไร พอพูดแบบนี้เข้าเขาก็ได้คิดนะว่าโอ้เออใช่นะเราจะทอ้อกับเรื่องแค่นี้ทำไมนะถ้าทอ้อกับเรื่องแค่นี้นี่มันจะคิดถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วพะนิพพานนี่นะมันต้องนะเจออุปสรรคเจอปัญหาที่ยากกว่านี้เยอะนะขนาดเนี่ยพระตุจ้ารีนะต้องผ่านด่านนะผ่านบททดสอบมากมายแลนะโดยเฉพาะตอนที่ปรปเมอพอาปสันดอนนี่นะ ก็ต้องพร้อมที่จะสละทุกอย่า ง, อางตอนที่ท่านเป็นตอนที่ท่านอาตอนที่พระเวสสันดรเนี่ยนะท่านายางเป็นเด็กเนี่ยนะจิตใจก็มุ่งพันิพาลละแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะพร้อมที่จะสละดวงตานะเพื่อเป็นทานให้กับผู้ที่อยากไร้แต่ปรากฏว่าอาว้อจริงเนี่ย ให้การสละ ด, ดวงตานี่ไม่ยากเท่าไหร่ให้ที่ยากคือต้องสละเมียต้องสละลูกเนี่ยให้กับชูชกนี่แหละแต่เพราะท่านมุ่งพระนิพพานมุ่งพระโพธิญาณนะท่านก็เลยตัดใจได้นะถือว่ า, าจะต้องยอมที่สละสิ่งที่เรียกว่ารักและห่วงแหนมากที่สุดนะซึ่งก็คือบททดสอบเพื่อที่จะตัดหรือว่าวางไอ้ความยึดในตัวกูของกูนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราเวลาเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายเนี่ยนะไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอดทนต่อปัญหาต่ออุปสรรคเติกต่อความยากลำบากไดนะ้เวลาเงินถูกโกงหรือว่าเจ็บป่วยนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้อันนี้แหละคือบททดสอบเนี่ยที่เราต้องผ่านไปให้ได้ไอ้ที่เราทุกข์เพราะว่าเรายังมีความยึดในตัวกูของกูอยู่ แค่นี้เนี่ยเรายังปล่อยวางไม่ได้นี่เราจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้คือเหตุผลประการหนึ่งนะที่ที่ที่เราควรนะยึดเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายนะของชีวิตหรือเป็นหมุดหมายนยที่เราจะไปให้ถึงส่วนจะถึงแล้วไม่ถึงเนี่ยมไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเนี่ย ไม่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามมันไปได้ง่ายนะเพราะเรารู้ว่าเนี่ยไอสิ่งที่เราเจอในวันนี้มันยังเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะต้องเจอในวันหน้าถ้าหากว่านะจะก้าวข้ามให้ไปถึงพระนิพพานให้ได้แล้วเราก็เห็นความจะเป็นข อ, องการฝึกฝนพัฒ น, นาตนเจออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นแบบฝึกขัดนะเจอคําตอบว่าด่าทอเออก็ดีนะมาฝึกให้เราลดละกินเลยนะ มาฝึกให้เราลดความยึดติดถือมั่นคนเราถ้ามองปัญหาต่างๆว่าเป็นเคราะห์นะมันท้อนะมันหมดกําลังใจง่ายๆแต่ถ้าเรามองว่าอ๋อพวกนี้เขามาเพื่อจะฝึกเรานะหรือมาเพื่อที่จะเป็นข้อสอบนะว่าเราจะสามารถผ่านไปได้นะแค่ไหนนั่นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะมีกําลังใจนะในการที่จะ ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยนะลองนึกถึงจุดมุ่งหมายที่สูงส่งเอาไว้นะคือพระนิพพานนะและถ้าเราเข้าใจว่าพระนิพพานเนี่ยคืออะไรนะมันไม่ใช่เป็นเป็นเมืองแก้วนะไม่ใช่เป็นสวรรค์นชนิดหนึ่งนะที่วิเศษกว่าสวรรค์ทั้งปวงนะแต่เป็นภาวะที่หมดทุกข์หมดกิเลสนะเป็นภาวะที่ล้วนแล้แต่ เป็นภาวะที่ชีวิตนี้เนี่ยนะควรจะเข้าถึงให้ได้เป็นภาวะที่ประเสริฐที่สุดนะมันไม่ใช่เกิดจากความเห็นแก่ตัวที่อยากจะสงบนะแต่ว่าเป็นภาวะที่เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยก็อยากจะเื้อเอื้อเฟือเอื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะโดยที่ไม่ได้มีความเห็นแกนตัวไม่ได้มีความาความทุกข์กับการที่ไปช่วยเหลือสรรพสัตว์เลย ลองนึกแบบนี้นะเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายระ ล, ลึกถึงอยู่เสมอเวลาทุกเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอความพัาดภาคสูญเสียนะเจอความไม่สมหวังนะก็มองว่าโอ้อันนี้แหละนะมันเป็นเปเพียงแค่บททดสอบเล็กๆน้อยๆนะระดับปริญญาตีเท่านั้นเองนะที่จริงเราต้องเจอบททดสอบอีกมากนะ จะจบปริญญาเอกเนี่ยนะถ้าไปแพ้แพ้กับข้อสอบระดับมัธยมเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะการจบแม้กระทั่งปริญญาโทแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีคิดนะที่มาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะระดงความเพียรหรือว่ามีขันติธรรมเนี่ยในการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้อย่างขันติวาตีดาบทเนี่ยนะที่ท่านอดทนนะ ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเกลียดชังเนี่ยเพราะว่าท่านมีนะพันธิพาณเป็นจุดหมายนะจะเสียจะเสียแขนเสียขาเสียมือก็ยอมนะเพื่อจุดหมายที่สูงกว่านะก็มีหลายท่านนะที่ในหลายชาติทีเดือดที่ท่านพร้อมที่จะอุทิศแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเพื่อพันธิพาณมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคนเราก็รักตัวกลัวตายนะแต่พอคิดถึงชื่อที่ พอคิดถึงจุดหมายที่สูงกว่านะการที่จะสละชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อช่วยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ทําได้นะอย่างมีคราวหนึ่งถ้เป็นก็ เ, เป็นดาวบทเป็นฤาษีนะแล้วก็ไปเห็นไปที่ช่องก้อนผานเนี่ยมองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นแม่เสือเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งคลอดมันหิวโหยมากเลยแล้วก็มันก็กำลังจะกินลูกเสือ ท่านก็สงสารนะบอกให้ลูกสิทธ์เนี่ยไปหาอาหารมาให้ลูกให้ให้แม่เสือลูกสิทธ์หายไปนานนะไม่กลับมาเสือนี่ก็กําลังจะขยําลูกเสืออยู่ลล้วนะท่านก็มีเมตตากับลูกเสือมากนะอยากช่วยชีวิตลูกเสือไว้ทํำยังไงอ่ะกเลยเดินล ด, ดลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือกินเรียกว่าสละชีวิตเพื่อช่วยลูกเสือ อันนี้ก็เป็นเรื่องเมตตาที่ไม่มีประมาณมากสระดัแม้กระทั่งชีวิตนะไม่ใช่เพื่อใครนะไม่ใช่เพื่อพ่อแม่แต่ว่าเพื่อสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆนะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะทําบุญเนี่ยเราก็มักจะหลายคนก็จะช่างตรองนะว่าทําบุญอย่างไรถึงจะได้ผลหรือได้บุญมากกว่าถ้าทําบุญกับ <c oughs> ถ้าทําบุญกับพระ <c oughs> ถ้าทําบุญกับพระนี่ได้มากกว่าทําบุญกับโยมถ้าทําบุญกับโยมนะได้มากกว่าทําบุญกับสัตว์เดี๋ยวนี้เราทําบุญเมื่อกล่าจะซื้อหุทธนะว่าพุ้นตัวไหนผลตอบแทนสูงสุดนะเราก็ซื้อตัวนั้นแต่ว่าชาวพุทธเนี่ยที่ใจประเสริญนี่ถึงเวลาที่มีสัตว์หรือว่าคนเดือดร้อนนี่นะไม่คิดถึงผล ได้ว่าจะเกิดกับตนเท่าไหร่นะถ้าช่วยได้ก็ช่วยทันทีอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็ลงไปเลยนะโดลงไปให้ให้แม่เสือนี่ขยำนะเพื่อช่วยชีวิตลูกเสือเอาไว้อันนี้ท่านทําได้เพราะว่าท่านมีพระนิพพานเป็นจุดหมายเหมือนกันนะก็คือว่าพร้อมที่จะสละนะสละชีวิตเพื่อธรรมะนะมันกลายเป็นเรื่องง่ายนะเมื่อเรามีจุดหมายที่สูงส่ง แต่ว่าพวกเราก็ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงขั้นทำขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าเพราะว่าเราให้เราถือว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่เราเจอเนี่ยนะมันมันยังเล็กน้อยมากกว่าที่พระพุทธศาสนาทั้งหลายได้เจอมาแล้วเราก็ได้ข้ามไปจนได้ลองนึกแบบนี้ซะมั่งนะมันจะได้ทําให้เรามีความเพียรมีความกล้านะในการที่จะรับมือกับปัญหา อุปสรรคทั้งหลายต่างๆที่ผ่านเข้ามาโดยไม่เสียท่ายกับความโลภความกลัวความหลงหรือว่าความกลัวรวมนั่งความพยาบาททั้งหลายเจนีก็พูดกันเท่านี้กรับพระ